ชาวประมงกับภรรยาชาวประมงกับภรรยาอยู่ที่หน้าผาใกล้กับทะเลใหญ่ทุกๆวันชาวประมงจะไปที่หน้าผาและไปตกปลาเพื่อหาเลี้ยงชีพเขามีความสุขกับชีวิตง่ายๆของเขาแต่เขารู้ว่าภรรยาของเขาไม่พอใจเธอมักจะโกรธอยู่เสมอ ดูกระท่อมสกปรกนี่สิกลิ่นของมันทำให้ฉันจออ้วกฉันต้องทำความสะอาดทั้งวันทั้งคืนและมันไม่ช่วยเลยชาวประมงรักภรรยาของเขาแต่เธอไม่เคยหยุดบน่นวันที่ดีที่เขาได้ปล่ามาถึงสองตัวภรรยาจะขอสามถ้าเขาเอามะม่วงมาให้เธอก็จะอยากกินพีชไม่มีอะไรที่เขาทำได้เพื่อให้เธอมีความสุขเลย โอ้ที่รักผมจะทำอะไรเขาถึงจะมีความสุขพาฉันไปจากกระท่อมเหม็นๆ น, นี่แล้วฉันก็จะมีความสุขวันหนึ่งเขาไปตกปลาที่ใกล้ผาวันนั้นน้ำเป็นสีฟ้าและสงบมากเขานั่งแล้วใช้เบ็ดตกปลาของเขาลึกในทะเลเวลาผ่านไปเขาเริ่มเหนื่อยอวันนี้เราคงต้องกินผลไม้กันแล้วลํะมัง้ง โอ้เดี๋ยวฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเป็ดตกปลาของเขาเริ่มตึงเขาดึงมันอย่างเต็มที่โอ้โอหนักนั่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวใหญ่เมื่อตะขอขึ้นมาเขาแปลกใจมากที่ได้เห็นปลา ก, กระตูนมันเป็นปลากระตูนที่สดใสมากโอ้ปลากระตูนแต่ทำไมตัวหนักนักนะ มันกินมากเกินไปละมึงเนี่ยไม่มันไม่ใช่สาเหตุที่ฉันหนักกว่าปลาตัวอื่นดอกหนาอะไรนะนี่นายเพิ่งคุยกับท่านเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายรู้จักฉันได้ยังไงอ่ะฉันรู้จักเรื่องของนายเยอะเลยฉันไม่ใช่ปลาธรรมดาฉันคือเจ้าชายที่โดนทรัพปล่อยฉันไปฉันรสชาตไม่อร่อยอยู่แล้วขอลาอย่าฆ่าฉันเลย โอโ้ไม่ต้องพูดมากหรอกฉ่านจะไม่ฆ่าปลาที่พูดได้แน่ในไปซะเถอโอะขอบคุณนะเขาตื่นเต้นที่จะบอกภรรยาเรื่องปลา ก, กร์ตูนเขารีบไปที่บ้านและลืมไปเลยว่าเขาไม่มีปลากลับไปสักตัวเดียวโอที่รักผมมีอะไรจะบอกนะรีบมาแล้วอะไรวันนี้ไม่ได้ปลาเหรออ้อไม่ผมจับปลา ก, กระตูนได้ และมันพูดได้ด้วยมันบอกผมว่ามันเป็นเจ้าชายที่โดนสาบมาอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อผมก็ปล่อยมันไปแล้วล่ะมันอยู่ในทะเลคุณจับปลาพูดได้แล้วปล่อยไปแบบนั้นทำไมถึงทำแบบนั้นเราจนเราหิวเราอยู่ในบ้านเก่าๆทำไมไม่ขอบ้านที่ดีกว่านี้มาล่ะเขาจะให้บ้านกับผมได้ยังไงเขาทำไม่ได้หรอกน้า เราควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะฉันมีความสุขแน่ถ้าได้อยู่บ้านดีๆคุณพูดไม่ใช่เหรอว่าเขาคือปลาวิเศษคุณไว้ชีวิตเขาเขาช่วยคุณแน่นอนกลับไปไปขอบ้านดีๆมาสามีลังเลเขากลับไปที่ทะเลและแปลกใจมากที่เห็นน้ำกลายเป็นสีเขียวและสีเหลืองเจ้าปลาวิเศษ ลาประตูรีบปรากฏตัวราวกับว่ามันรอให้ชาวประมงกลับมาภรรยาฉัานไม่มีความสุขเลยเธอต้องการอะไรเหรอเธอต้องการบ้านดีๆนะกลับไปสิเธอมีบ้านดีๆแล้วสามีกลับไปและเห็นว่าภรรยาของเขาเย็นอยู่หน้าประตูไม้ของบ้านสวยๆบ้านนั้นสะอาด และมีสภาพดีมีเฟอร์นิเจอร์และมีเตาผิงด้วยที่รักดูสิบ้านนี้มันใหญ่และสะอาดกว่ามากใช่เรามีเตาผิงด้วยนี่ดีมากเลยนะคุณมีความสุขแล้วนะเราอยู่ที่นี่ตลอดการได้ไหมตลอดการอ่ะมไว้ดูทีหลังแล้วกันกินอาหารแล้วเข้านอนกันเถอะคืนนั้นภรรยานอนไม่หลับ เธอเอาแต่คิดว่าอะไรจะทําให้เธอมีความสุขตอนเช้าเธอก็รอให้สามีของเธอมาหาที่โต๊ะแล้วพูดว่าอารุณสวัสดิ์ที่รักฟังนะบ้านนี้มันเล็กสำหรับเราฉันต้องการวังและฉันอยากเป็นราชินีไปหาปลากระตูนและบอกให้มันให้วังกับเราอะไรกันทำไมจะต้องอยากเป็นราชินีด้วยอ่ะนี่มันก็พอเพียงแล้วนะ ฉันจะตัดสินใจเองไปหาบลานนั่นแล้วทำให้ฉันเป็นราชินีสามีลังเลและเดินไปที่ทะเลวันนี้ทะเลเป็นสีม่วงและมีลมแรงเจ้าปลาวิเศษได้ยิน่ันมา ไระยาทันไม่มีความสุขเธอต้องการอะไรล่ะเธอต้องการหวังและอยากจะเป็นราชิ น, นีกลับไปสิเธอสมหวังแล้วเมื่อเขากลับไปบ้านของเขาก็ได้หายไปและที่นั่นมีพระราชวังใหญ่กับประตูทองเหลืองมีคนใช้เดินไปมาปมเขาเห็นภ ร, รยาเขานั่งบนบัลลัง และมีมงกุฎอยู่บนสีสษะคุณเป็นราชินีแล้วใช่ฉันเป็นราชินีโอ้มันดีใช่ไหมล่ะพอใจแล้วหรือยัเอ่มไม่การเป็นราชินียังไม่พอฉันอยากเป็นจกักรพรรดิ น, นีอะไรนะนี่ผมรู้ว่าคุณคิดอะไร ปลากาตูนทําให้คุณเป็นจักร by, พรรดิดีไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่รู้หรอกไปหาบลาร์นแล้วทาให้ฉันเป็นจักรพรรดิดีชาวประมงลังเลแล้วเดินไปเขามองไปที่น้ seul, ําสีน้ําตาลและสงสัยว่าทําไมน้ําถึงกลายเป็นสีนั้นเจ้าปลาพิเศษได้ยินฉันมา ฉันไม่มีความสุขเธอต้องการอะไรล่ะเธออยากจะเป็นจักรพรรดินีนะกลับไปสิเธอได้สมหวังแล้วเขาเดินกลับบ้านและสงสัยว่าภรรยาของเขาจะมีความสุขหรือยังเมื่อเขาไปถึงที่วังตอนนั้นมีประตูสีทองแทนที่จะเป็นประตูทองเหลืองวังมันใหญ่ขึ้นมากข้างในภรรยาเขาก็นั่งอยู่บนบัลังทอง รัฐมนตรีทุกคนนั่งอยู่ด้านล่างของเธอเธอมีลูกแก้วทองในมือข้างหนึ่งและที่มืออีกข้างก็มีคาอโอที่รักคุณคือจักรพรรดินีแล้วจริงๆใช่ใช่สิฉันบอกแล้วไงว่าปลาแน่นช่วยเราได้ใช่จริงด้วยคุณมีความสุขหรือ ย, ยังไม่รู้สิไว้ดูกันเราเหนื่อยมาเมกแล้ว เดินกันดีกว่าชาวประมงกลัวว่าภรรยาเขาจะขออะไรอีกแต่เขาเหนื่อยจากการวิ่งทั้งวันเขาหลับลึกทันทีที่หัวถึงหมอนแต่ภรรยาเขานอนไม่หลับเธอเอาแต่คิดว่าอะไรจะทําให้เธอมีความสุขสัปดาห์หนึ่งผ่านไปทุกวันชาวประมงจะขอพรให้ภรรยาเขามีความสุขแต่ทุกคืนภรรยาของเขา ก็เอาแต่นั่งแล้วมองดาวกับพระจันทร์สุดท้ายแล้วคืนหนึ่งเธอเหนื่อยที่จะคิดและอยากจะพักผ่อนแต่อะไรนะ่ะนี่ชาวแล้วเหรอพระอาทิตย์กล้า ด, ดียังไงถึงมาขึ้นตอนนี้ไม่รู้เหรอว่าฉันไม่ได้นอนมาทั้งสัปดาห์ที่รักตื่นนะฉันอยากจะควบคุมพระจันทร์และพระอาทิตย์ฉันไม่อยากจะให้มันขยับโดยที่ฉันไม่อนุ ญ, ญาต ฉันอยากจะเป็นผู้มีอำนาจพิเศษเหนือโลอกทั้งหมดเลยอะไรนะขอละ่ะพอได้แล้วนะผมกลับไปแล้วเสี่ยงชีวิตของเราไม่ได้นะมันไม่ได้จะเสี่ยงชีวิตสักหน่อยฉันจะเป็นเจ้าชีวิตทั้งหมดไม่มีอะไรทําเราได้ไปหาปลาและทําให้ฉันเป็นพระเจ้าโอ้ที่รักคุณไม่รู้คุณกําลังจะขออะไรฉันรอไม่ไหวแล้วนะ ถ้าไม่ไปตอนนี้ฉันจะโกรธมากแน่โกรธมากมากเลยเขาอยากจะเห็นภรยาเขามีความสุขแต่เขารู้ว่ามันผิดมากข้างนอกแม่ก็ครึ้มเต็มทะเลและลมก็แรงมากเมื่อไรมันจะจบนะนี่มันผิดมากอ๋อโอ้น้ำมันน้ำมันสีดำมากเลยวันนี้ ฉันกลัวสุดๆเลยเออเจ้ากล้าวิเศษได้ยินฉันมาย <c oughs> จบละภรรยาท่านยังไม่มีความสุขเธอต้องการอะไรคราวนี้เธออยากจะเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติทั้งหมดเลยอืมกลับไปสิ เธอสมหวังแล้วเขาวิ่งกลับไปอย่างเต็มที่โอ้พัรยาเราเป็นอะไรไปแล้วนะเราจะต้องไปที่นั่นโอ้อะไรเนี่ยตอนนี้เขารู้ว่าภรรยาเขาหายไปแล้วถ้าหายไปจนเขาหาไม่เจอเขาหาและหาแล้ววิ่งกลับไปที่ทะเลน้ำตอนนี้กลับมานิ่งและสดใส เมก็ไม่หนาพระอาทิตย์ก็ส่องสว่างแล้วปลาวิเศษโอ้ปลาวิเศษนายได้ยินฉันไหมขอหลัง ก, กลับมาหน่อยนายทำอะไรกับพระยา่านันฉันทำให้เธอสมหวังไงเธออยากจะเป็นผู้เหนือธรรมชาติที่ไม่มีใครรู้จักนั่นละเธอก็ได้สมหวังแล้วไม่เคยมีใครเห็นพระเจ้ามาก่อน ตอนนี้เธอเป็นที่ไม่รู้จักและไม่มีตัวตนโอ้ขอละให้เธอขึ้นมากับฉันฉันแก้พรที่ตัวเองให้ไว้ไม่ได้หรอกนะโอ้เดี๋ยวรู้แล้วฉันขอพรให้ภรรยามาตลอดเลยนายให้ พ, พรภรรยาัะทุกครั้งแต่ว่าฉันเป็นคนช่วยชีวิตนายให้พรอนกับฉันสินายก็พูดถูกนะแล้วนายต้องการอะไร ชาวประมงหายใจเข้าลึกๆฉันอยากให้ภรรยาฉันมีความสุขนะกลับไปซีบเพื่อนเธอมีทุกอย่างที่เธอต้องการเพื่อมีความสุขแล้วละ่ะชาวประมงวิ่งกลับบ้านเขาแปลกใจมากเขาเห็นภรรยาของเขายืนอยู่หน้ากระท่อมเล็กๆแต่มันไม่เหม็นแล้วเขาวิ่งไปหาภรรยาเขา โอ้คุณกลับมาแล้วกลับมาแล้วใช่ที่รักฉันรู้แล้วว่าพระราชวังมาซื้อความสุขให้เราไม่ได้เข้าบ้านกันเถอะหลังจากนั้นเขากับภรรยาก็ไม่เคยหิวโหยเลยอีกสักวันภรรยาเขารู้ว่าความสุขนั้นอยู่กับสิ่งง่ายๆและพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป